ณนะที่มีกำไรมากหรือ ว, ว่าการศึกษาวิชาความรู้ผมเองซะอีกไม่มีโอกาสเท่าพวกท่านเพราะในสมัยที่ปฏิบัติมานี่ความรู้ทุกอย่างเรามีครบแต่ขออย่างเดียวว่าให้ท่านปฏิบัติกันให้ครบเท่านั้น แต่ว่าท่านปฏิบัติไม่ครบก็เป็นเกินวิสัยที่ผมจะช่วยท่านให้ดีขึ้นไปได้ในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาก์สันดาสมตัดว่าอาคาตาโรถถาา ต, าตถาคตาตาถาคตนั้นเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ยกให้ใครเป็นอะไรต่เป็นอะไรได้นี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าท่านบอก ให้ทำแล้วก็ทำถ้าทำตามก็มีผลถ้านั่นบอกแล้วไม่ทำตามก็ไม่มีผลดูตัวอย่างพระเทวทัตแล้วสักวันหนึ่งข้างหน้าจะเอาเรื่องราวของพระเทวทัตมาเล่าให้ฟังแล้วก็ดูตัวอย่างอัคสัวกทั้งสองอัคสัวกทั้งสองฟังนิดเดียวเป็นอารหันอัคคสัวกก็ฟังไม่ช้านานเทไรนักก็เป็นก็ได้ชันโลกี ได้พิญญาสมาบัติแต่อาศัยจิตที่เป็นมิถาชาทิฐิเลยกลายรัวเวจลเวจีไปเป็นอันว่าความดีหรือความชั่วไม่ใช่อยู่ที่คนสอนคนสอนจะสอนดีอย่างไหนก็ตามถ้าเราทาชั่วเราก็ดีไม่ได้คนสอนจะเห็นแั่ตัวสักเพียงใดก็ตามทีตัวอย่าตูตัวอย่างสัญชัยบริพาชก แต่ก็ไม่สามารถจะนำมาอาคาสาวกผู้เป็นคนดีให้ตามไปได้ตอนนี้สุดก็ไปอยู่กับองค์สมเด็จพระจอมไตร่ได้พระอระหันต์นี่เป็นอนุาความดีหรือความชั่วในยอยู่ที่เราเองเราฟังกันแล้วเราปฏิบัติกันหรือเปล่านี่เป็นเครื่องคิดสำหรับการกำหนดจิตเพื่อความเป็นสมาธิก็สอนกันมาแล้วไม่อยาก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 กิเลสตัวนั้นได้เลยโทสะเมื่อวันก่อนนี้ผมได้พูดถึงพรามซึ่งหวงลูกศิษย์ในเมื่อรูกสิษย์ทำของหล่นเ่อพลาดไปเธอก็เปล่งวาจาทึงองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพุทโทธธรรมโมสังโฆเป็นต้นพรามหน้าม์เธอก็กโกรธโกรธดลาวด่าไว้อิงถ่อย เมื่อกล่าวพนาคุณงามความดีเขาสมณะโลนไม่เลือกทีในที่สุดท่านพราหมณ์คนนี้ก็ไปโจโจมทุกกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พราหมณ์คณะนี้ยังมีกันหลายคนผมจะนำมาเล่าให้ท่นฟังตามลำดับว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคทรงโตอตอบกับเขาว่าอย่างไง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 ว่าสมมติว่าท่านเองโดนเข้านะ่ความรู้สึกของท่านจะเป็นยังไงผมจำเดือนไม่ได้เพราะไม่ได้บันทึกดูมันว่าจะเป็นระยะตอนต้นๆปีเมื่อปีพศ .2517 สสปีนั้นเราก็เริ่มจะทำพระอคโบสถก็ใช่แล้วครับต้นปี เพราะเวลาอากาศยังหนาวหนาวนิดนิดเห็นจะเปลี่ยนเดองกุมภาหรืออะไรมุมกราได้ก็จำไม่ได้อาจารย์วรณีสุนทรเวทกับคณะของท่านมาที่วัดนี้บ่อยๆในการมาวัดนี้ของท่านก็ถูกคณาจารย์เดิมโกรธเช่นเดียวกับสาวกของ รของอิตาปริพายชกแตพ่พรามคนนั้นแหละเป็นนั้นว่าเรื่องนี้ผมก็อยาขอยกไว้ที่อาจารย์กโกรธผมไม่เห็นเป็นเพียนท่านเล่ากันให้ฟังนี่เรื่องมาชนกับผมเองบ้างหรือว่าอาจารย์วรณีนิถวายที่ไว้แก่พระชุดหนึ่งที่ครองสามรังสิต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 สำหรับวันนี้อาจารย์วรณีนอกจากให้ที่แล้วให้การก่อสร้างทั้งหมดธนุบำ ร, รุงวัดนั้นทั้งหมดที่หมดไปแล้วจำไม่ได้เนื้อที่เพราะว่าที่ไปจะเกินกว่า100ร้อยไร่แล้วก็ยังจะให้เมื่อก่อสร้างแล้วก็ยังไม่พอยังจะให้เงินเป็นมูลนิธิสําหรับวันนั้นอีกสักประมาณสิบล้านถึงสิบล้านเศษจคุณจำไม่ได้ก็สิบล้านเนี่ยสิบล้านแน่น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 ผมก็คุยท่านฟังว่าท่านต้องการพิญญาก็ปฏิบัติตามนั้นตามแบบฉบับเท่าแบบปกติท่านทำท่าเหมือนว่าจะเรื่อมใสแต้คนอย่างผมนี่ใครจะเรื่อมใสหรือไม่เรื่อมใสผมก็ไม่สนใจถามมาผมก็บอกไปเป็อนอ น, นว่ามาถึงเวลาที่จะวางศีราเริก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 ผมก็เดินด้วยขับไปตามเรื่องมีคนนำแต่ที่คนที่อยู่ใกล้กับนิสิทูตศึกษาพวกเกษกรมขามาไลฟังว่าผมกับังจะกลมสื่อสารทหารกับคณะเดินลงไปเข้าเขตเขาวิทยุถามกันไปว่าเวลานี้พระมหาวิระมาแล้วจะอนุญาตให้ยอมให้เข้าหรือไม่ยอมให้เข้าต่ความจริงผมไม่รู้เรื่องกับเขาเลยเขายอมแล้วไม่ยอมก็ มันเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้แต่ว่าคงได้รับคำตอบมาจากถนนนล์ว่ายอมให้เข้าเมื่อยอมให้เข้าไปแล้วยอมหรือไม่ยอมก็ไม่มีใครมาห้ามผมผมก็เดินไปตามคนเขานำเมื่อเข้าไปถึงข้างในแล้วก็มีอาการแปลกแล้วผมก็มองดยเฉย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 เจ้าคุณวัดปากน้าภาษีเจริญปัจจุบันเจ้าคุณเจ้าวาดัดพระที่นั่นก็มาจากวัดปากน้ําภาษีเจริญและท่านเป็นเจ้าวาดด้วยกําลังเป็นเจ้าน้าตัวการภาคภาษีเจริญด้วยเป็นเจ้าน้าตัวการภาคสามแล็ตอนนี้ผมไปย้ายไปอยู่ภาคสิบห้าแล้วถ้ามานั่งสวดมนต์อันดับแรก ที่เพวกเราเข้าไปกันก็เกือบจะหาที่นั่งไม่ได้เป็นอันดับแรกในระยะต่อมาท่านเจ้คุณท่านก็บอกนีมนธรรมาหารมีมนนั่งที่นี่ที่เขรับมาสดมนด้วยกันท่านก็ขยับที่ให้ในฐานะที่ผลอาโวสูรมากกว่าท่านพุนกระดิ่งท่านว่าเขามานด้มีมนเข้ามาสดมนเข้ามาจําเป็นแล้วครับพขาก็นั่งตามที่ที่เขาจัดให้ ต่อจากนั้นไปเรื่องมันก็เกิดโอรพอร่อกันขึ้นเปรา น, นั้นว่าพระที่ที่เจ้าภาพยกที่ให้ตั้งท่าตั้งท่าพิเศษเมื่อว่าคอยมาทำเงินขายกันก่อนอันดับแรกเขาเชิญพวกพวกเดียวกันมาประชุมตัวหน้าเจ้าคุณ แล้วเธอเชิญท่านจะภาพาท่านจะของที่ผู้ให้เงนินในการก่อสร้างนับล้านและก็จะให้เงินเป็นโมนิที่อีกสิบล้านเพื่ออาจารย์วรณีสุนทรเวทข้าไปร่วมประชุมกันตัวหน้าแขกทั้งหมดอันดับแรก่็ยื่นเงินขายว่าอันขอให้พระองค์นี้ได้เป็นเจ้าวาดปตีิ พูกับท่านเด็กคุณใหญ่ด้ว อ, อาจารย์วรณรีอาจารย์วณีสุนทรเวตผมก็แปลกใจว่าเอ๊สำนักนี้เขาสอนพระ ก, กรรมฐานกันนี่ทำไมอยากเป็นเจ้าวาดเป็นหรือไม่เป็นมันก็เป็นอยู่แล้วอาจารย์สุนทรอาจารย์วรณีสุนทรเวตก็บอกไม่เป็นไรท่านท่านต้องการเป็นเจ้าวาดก็เสแล้วแต่แต่คุณใหญ่ใอ้องหนึ่งบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้อง เมื่อตกลงแล้วก็ต้องให้อัตมาเป็นรองเจ้าวาดนี่ยื่นเงื่อนไขกันแปลกๆความจริยการอย่างนี้พระในพระพุทธศาสนาเขาไม่ทำกันผมก็นั่งดูอาจารย์วรณีสุนทรเวทท่านก็ไม่คายค้านบาก็ตามใจวัดนี้ฉันถวายพระพุทธศาสนาก็สุดแล้วแต่ท่านอยาคุณใหญ่ถ้าว่าผมฟังไม่ผิดนะผมนั่งไกล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 ทำไมทั้งแบบกินเลตต้องการลาบต้องการยดกันนี่ผมนั่งปรงธรรมสังเวชของผมคนเดียวแต่ว่าคนอื่นนั่นแหะเขาสงสารผมเขาคงอยากสงสารในฐานะที่ผมนี่ถูกนี่มลไปให้วางศีลาะเลิแต่ว่าทางวัดนั้นไม่ต้องการให้ผมวางศีราะเลื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 ผมจำไม่ได้หนะ้าที่มากจริงๆในละทุ่มเทเงินก่อสร้างเอาไปเป็นลานแล้ววัดนั้นแต่ใ น, นว่าพระที่ให้ไปอยู่ที่นั้นกลับเป็นฝ่ายยื่นโนติจเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้พอท่านบอกว่าถ้าวัดนี้ต้องยอมให้องค์นั้นเป็นเจ้าวาดแล้วต้องยอมให้องค์นี้เป็นรองเจ้าวาดอันนี้ผมอายเขาบ้านฉันกับตาย เพาะว่าชาวบ้านที่นั่งอยู่ที่นั่นนับร้อยผมรู้สึกอายจริงๆค ร, รับไม่ได้อายชาวบา้านเขาในฐานะที่ผมไม่ได้วางศีรษะ อ, อันนี้ไม่เกี่ยวผมไม่มีความรู้สึกอายเขาไม่คิดเลยว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อายแทนท่านเจ้าคุณใหญ่วัดปากน้าพระสิทเจริญ ที่ฤกศิษของท่านสามารถยื่นโนติจัท่านแบบนั้นและก็อายแทนท่านเจ้าภาพผู้บริจาคทรัพย์ว่าท่านบริจาคทรัพย์ในที่มากราคานับล้านและก็บริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างไปแล้วนับล้านกำลังจะสร้างพระอมโบสถอีกราคานับล้านในช่างกวางผังแล้วกำลังจะตอกเข็ม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 การที่เราถูกเชิญไปในที่ต่างๆนะั้ต้องระมัดระวังไว้ว่าดีไม่ดีงานที่เขามอบหมายให้เราเนะี่ยมันอาจจะะลายเป็นประเทผมได้ผมโดนมาซะเยอะมันช่ำโดนมาจนหนังชาชาจนถึงที่สุดจนเวลานี้ไม่ชาแนละ้วมันหมดความรู้สึกเมื่อ อาการอย่างนี้ปรากฏผมก็สงสารแทนที่ผมเน่ยอายเนะี่ยผมไม่อายใครเลยท่านรู้สึกไหมว่าผมหน้าด่านมากใจของผมเวลานั้นมันส บ, สบายๆุนคนไม่มีความรู้สึกอะไรแต่กลับไปสงสารคนอื่นคนอื่นเขาสงสารผมคงจะสงสารในฐานะเสียหน้าที่เขาไม่ยอมให้วางศิลาเลย แต่ท่านเยาภาพก็พยายามในท่านสุดท้ายก็ให้เอาไปพรมน้ำมนต์แล้วก็โปรยเข้าต่อดอกไม้ผมสงสารท่านเยาภาพแล้วก็ไปสงสารพระชุดนั้นสงสารท่านเจ้าคุณใหญ่วัดปากน้ำประสีเจริญมื่มองดูหน้าท่านแล้วรู้สึกว่าท่านสลดมากเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านคาดไม่ถึงว่ารูฤกษ์ของท่านจะทําอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะ ไม่ว่าท่านจะมีความรู้สึกอย่างผมหรือไม่นี่ผมไม่ทราบนี่ผมคิดเอาเองแล้วผลงานต่อไปที่ไม่จะขึ้นเกิดขึ้นกับพระประเภทนั้นนั่นก็คือเจ้าภาพจะทำการสร้างโบสถ์ราคาเป็นล้านสร้างก็ไปแล้วเข้มขึ้ไปแล้วเสร็จงานสร้างโบสถ์หลังนั้นถูกงด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 เอาเงินจำนวนนี้ไปก่อสร้างทาวเระวัตถุใหม่ที่อื่นคือเป็นศาลากา ร, ปรเปรียญที่วัดปากน้ําภาษีเจริญกับวัดอะไรอีกวัดหนึ่งที่เจ้าคุณวิเชียนไปเป็นเจ้าวาดเพราะนั้นว่าพระคณะนั้นที่มีความมุ่งมา่อยากจะได้ทรัพย์ถินประมาณถึกสิบล้านบาทเป็โมนิธิก็ไม่ได้แต่ก่อนที่ไม่ได้นั่นน่ะมันมีอย่างนี้อีก คือท่านเจ้าภาพมาบอกให้ผมฟังบอกว่าพระวัดนั้นนั่นแหละที่เป็นไว้ของท่านสร้างให้เมื่อท่านถอนอเมื่อท่านเรียกว่าในระยะแรกที่เป็นการตกลงว่าใครต้องเป็นเจ้าวัดกันมาแล้วหลังจะนั่นงานเสร็จผ่านไปก็จะมาขออนุญาตเป็นเงินที่ก็ฝากไว้ที่ธนาคารใดทางการทางคำหนึ่ง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 ดีไม่ดีถ้าจะมานึกคิดว่าโอ้นี่เขาทีมนต์เรามาในการวางเสียาเาฤกษ์ถ้าเราไม่มาเราก็จะอายแล้วก็อย่เสียกำลังใจดีไม่ดีจะไปโกรธเขาถ้ า, าการอย่างนั้นปรากฏแล้วก็ทำใจช ส, สบายแล้วก็จงเตรียมตัวเตรียมใจไว้ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป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 เราก็ควรจ ะ, ระรบารอประธรรมพระองค์สังพระองค์สมเด็จตุสมาสมุติจารว่าโลกนี้มันไม่เที่ยงคนก็ไม่เที่ยงวัตถุ ก, ก็ไม่เที่ยงอารมณ์ก็ไม่เที่ยงถ้าการอย่างนั้นเกิดขึ้นกับเราเราก็ควรจะเกิดสังเวชใจสงสารเขาว่าเขาผู้นั้นไม่น่าจะเสียสัจจะเขาผู้นั้นไม่น่าจะ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 ทำลายศรัทธาล้วคุณอย่าสงสารเขาว่าเขาทำตัวผิดไม่ใช่สงสารเราแล้วก็ควรอย่าสงสารท่านเจ้าของทรัพย์ว่าพระถมถีไปกรรมอะไรของท่านหนอที่ไปเจออภรรยางะไรแบบนี้เขาไี่เพื่นว่าทำให้ใจท่านสับหมองแต่ต่อมาผมพยายามปลอบประโลมให้ใจท่านสบาย ในคนยาสงสารท่านผู้ใหญ่ท่านที่เป็นผู้ปกครองที่ลูกิ์ศิษย์ของท่านหักหน้าท่านไม่ใช่หักหน้าเราทำเอาท่านเสียกำลังใจจนหินชัดนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทและพระโยคาวนจรทลายตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรเล่าเรื่องความโกรธผมเองเอาเรื่องความโกรธมาพูด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 ว่าถูกใครเขาขาดคอขาดใจที่ไม่ประกอบไม่ได้เหตุผลก็ยังทําอย่าทํากําใจกําลังใจของตนให้มันขึ้นขึ้นงลงวางใจไปรูเบขาที่เรียกว่าสังขารรูเบขาหยาดจิตใจของท่านจะมีความสุขเพราะถ้าเราโกรธใจมันทุกข์ใจแม่ร้อนถ้าเราไม่โกรธใจสบายเวลานี้มองในเวลาก็เลยไปแล้วตอนนี้ไปขอท่านนั่งไหลตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มัน พยายามรักษากำลังสมาธิและพิธีปัสนาญาณตามอธิยาสา ย, ยงจงก่่นจะถึงการที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี